ปัญหาข้อที่9อธิบายและตอบปัญหาเรื่องผีสิงการไล่ผีการเข้าทรงการเส้นไหว้อาการของขึ้นและอื่นๆว่าเกิดขึ้นได้จริงแค่ไหนควรทำและเชื่ออย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แบบไหนเป็นการกระทำของโอปปปาติกะคือผีหรือเทวดาเป็นต้นแบบไหนจิตสร้างขึ้นมาเองเนื้อหาย่อยภายในบทนี้เช่นความแค้นของผีเจ้ากรรมนายเวร ดลใจให้ทำร้ายตัวเองอยากฆ่าผู้อื่นทำกิริยาน่าเกลียดและทำไมวิญญาณอาฆาตต่อให้คู่แค้นไปเกิดใหม่หน้าตาเปลี่ยนปเป็นแล้วหลายครั้งเกิดใหม่แล้วหลายแสนชาติแต่ก็ยังจำกันได้อาการผีเข้าหมู่พิธีกรรมมีผลกระตุ้นจิตได้อย่างไรทำไมเวลาป่วยโอปปาติกะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยง่ายวัตถุมงคล น, น้ำมนต์กับการป้องกันสิ่งชั่วร้ายการไล่ผี กับเรื่องของอำนาจจิตวัตถุและพิธีกรรมอย่างไรคือหลักที่เป็นไปได้อย่างไรแค่ความเชื่อหรือเป็นสื่อให้จิตมีพลังผีชะสิงหรือโดนใจได้กับคนประเภทไหนบ้างทําไมทําไม่ได้กับทุกคนทําไมเทพชาติอื่นพูดภาษาท้องถิ่นได้การพิสูจน์คนทรงด้วยภาษาโบราณที่ควรจะพูดได้คนทรงที่หลอกลวงหรือไม่จริงมีหลักตัดสินอย่างไร การสะกดจิตโดยโอปปปาติกะเพื่อใช้ร่างเป็นสื่อมีจริงแค่ไหนอำนาจจิตที่สะกดไว้ล่วงหน้ามีผลต่อคนได้อย่างไรทำไมการสะกดหรือคุณใสถึงได้ผลแค่กับบางคนพลังจิตกับการดึงดูดวิญญาณที่ดีและไม่ดีสำหรับเรื่องผีสิงนั้นแม้แต่ในพระวินัยปิฎกก็มีกล่าวถึงนะครับอย่างเช่นข้อยกเว้นอาบัตในกรณีที่ถูกผีสิง แล้วเรื่องในพระสูตรที่ผีสิงศพเดินตามพระไปถึงประตูวัดผีและเทวดานั้นเป็นกำเนิดหนึ่งในสี่ที่เราต้องอาศัยอยู่ร่วมกันย่อมมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมมิมากก็น้อยการศึกษาเรื่องพวกนี้ให้ถูกทางจึงอาจไม่ไร้สาระและอาจเกิดประโยชน์ได้มากในหลายคนหากเข้าใจหลักสําคัญได้จริงปัญหาข้อที่9้า เรื่องผีสิงในหนังสือเอสเทลโรเบิร์ตภาคหนึ่งมีกล่าวถึงเรื่องผีสิงไว้หลายตอนเช่นในหน้าที่83ได้กล่าวถึงชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งในบางครั้งจะมีความรู้สึกยังรุนแรงอยากจะฆ่าแม่ของตัวเองทั้งนี้เนื่องจากมีวิญญาณของโอปปาติกะที่ชั่วร้ายมาเข้าสิงและในหน้า8ป ก็ได้กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีวิญญาณของผู้ชายมาเข้าสิงซึ่งในขณะที่วิญญาณนี้ยังอยู่ผู้หญิงคนนี้ก็จะมีกิริยาเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นมีอาการก้าวร้าว์ทำท่าทางเป็นผู้ชายปากแบอย่างน่าเกลียดอย่างนี้เป็นต้นและทั้งสองรายนี้ท่านเมกแดงก็ได้ช่วยเหลือขับไล่วิญญาณที่ชั่วร้ายออกไปโดยผ่านทางคุณเอสเทโบ์ มาเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องผีสิงนั้นก็ให้ระวังอาการทางจิตที่เรียกว่าโรคจิตเวทไว้ด้วยนะครับเพราะบางทีก็แยกกันแทบไม่ออกหรือบางครั้งก็เป็นการอุปท า, านหรือคิดไปเองซึ่งต้องได้ผู้ชำนาญจริงเท่านั้นถึงจะรู้ว่าแบบไหนผีสิงของจริงและแบบไหนผีสิงเพราะจิตหลอกตัวเองและนอกจากนี้ในบทที่ห้า ก็มีกล่าวเกี่ยวกับเรื่องผีสิงทั้งหมดจากเรื่องผีสิงในลักษณะต่างๆดังที่บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจทางหลักวิชาหรือข้อเท็จจริงก็ยอมจะต้องเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้และบางคนก็อาจจะไม่เชื่อว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นจิตแพทย์หรือผู้ที่สนใจในวิชาของจิตแพทย์โดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปปาติกะเลยก็มักจะสันนิษฐานว่า คนที่เรียกว่าถูกผีสิงนั้นก็คือคนที่มีความกดดันในทางอารมณ์อย่างรุนแรงและแสดงกิริยาอาการต่างๆออกมาจากความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือแม้เช่นนั้นก็แกล้งทำอะไรต่างๆในทำนองนี้ข้อเท็จจริงที่ในวงการจิตแพทย์ได้กล่าวไว้นั้นย่อมมีอยู่อย่างแน่นอนและคนที่มีอาการและลักษณะอย่างนี้ที่รักษาหายด้วยวิธีทางจิตแพทย์ก็มีอยู่ไม่น้อย ฉะนั้นจึงทาให้จิตแพทย์ทั้งหลายลงความเห็นเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ดีมีคนไข้อีกไม่น้อยเหมือนกันที่ทางจิตแพทย์รักษาไม่หายเพราะความผิดปกติของคนไข้ไม่เกี่ยวกับจิตของเขาโดยตรงแต่หากเกี่ยวกับอานาจภายนอกเข้ามาครอบงำตราบใดที่ยังไม่ได้กาจัดอานาจที่ว่านี้ออกไปอาการผิดปกติของคนไข้ก็ย่อมไม่หายคนไข้แบบนี้ ซึ่งหมายถึงความผิดปกติของเขาเกิดจากมีวิญญาณมาเข้าสิงและเคยไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตมาแล้วเป็นเวลานานแต่ก็ไม่หายคนไข้ประเภทนี้ข้าพเจ้าเคยพบหลายรายเช่นมีอยู่รายหนึ่งเป็นคนไข้าชายคนไข่ารายนี้ป่วยอยู่ถึง12บสองปีจึงได้พบกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้ช่วยเหลือจนหายเป็นปกติไปแล้วและยังมีคนไขอน้อื่นอีกหลายรายที่มีสาเหตุ เนื่องมาจากโอปปาติกะซึ่งข้าพเจ้าเคยช่วยเหลือเป็นผลสำเร็จมาแล้วซึ่งคนไข่เหล่านี้ล้วนแต่เคยรักษาจากโรงพยาบาลมาแล้วแต่ไม่หายทางนี้ก็เนื่องมาจากทางโรงพยาบาลไม่รู้ว่าโรคภัยแค่เจ็บบางอย่างมีสาเหตุมาจากโอปปาติกะสําหรับส่วนตัวของข้าพเจ้าปัญหาในเรื่องนี้ไม่มีแต่ในเมื่อนึกถึงประชาชนโดยทั่ ว, วไปซึ่งบางพวกก็มีความเชื่อในเรื่องอย่างนี้อย่างงมงาย ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็มักจะเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องผีแล้วก็เที่ยวรักษาโดยวิธีเสกเป่าและใช้น้ำมนต์ซึ่งทำให้เสียทั้งเวลาและเงินแล้วโรคก็ไม่หายบางรายก็ถึงกับต้องเสียชีวิตไปโดยไม่จำเป็นเพราะถ้าเขาไปหาแพทย์ให้ทำการรักษาแล้วโรคนั้นก็จะหายและบางพวกก็ไม่ยอมเชื่อในทางนี้ซะเลยความไม่พอดีในเรื่องเหล่านี้มีอยู่ทั่ ว, วไป เพื่อขจัดความไม่รู้ในเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงได้เรียนถาม ถ, ามถึงข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องผีสิงกับโอปปาติกะองค์หนึ่งซึ่งท่านได้กรุณาอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้คนที่ถูกผีสิงซึ่งหมายถึงมีวิญญาณของโอปปาติกะคนใดคนหนึ่งเข้ามาสิงอยู่นั้นตามความรู้สึกของคนทั่วไปซึ่งเขามองไม่เห็นโอปปปาติกะ เห็นแต่กิริยาอาการของคนที่ถูกผีสิงก็มักจะเข้าใจกันว่าร่างกายของโอปปาติกาผู้ที่มาเข้าสิงนั้นได้เข้ามาซ้อนอยู่ในร่างกายของคนที่ถูกสิงทั้งนี้ก็เพราะคนที่ถูกผีสิงหรือคนที่เป็นคนทรงนั้นในเวลาที่ถูกผีสิงหรือเข้าทรงบุคลิกลักษณะของคนนั้นจะเปลี่ยนไปจากเดิมกลายเป็นคนละคนจึงทาให้สันนิฐานว่า ผู้ที่มาเข้าสิงหรือมาเข้าทรงได้เข้าไปอยู่ในร่างกายของคนคนนั้นเข้าไปคอยคุมจิตใจของผู้นั้นหรือเข้าทำหน้าที่แทนจิตใจของผู้ที่เป็นคนทรงคนนั้นจึงได้แสดงกิริยาอาการออกมาอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่ลักษณะเดิมของเขาความเข้าใจดังที่กล่าวมานี้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะความเป็นจริงนั้นคนที่ถูกผีสิงหรือคนที่มีวิ ญ, ญญาณมาเข้าทรงนั้น ก็คือคนที่ถูกสะกดจิตโดยโอปปาติกะนั่นเองและผู้ที่สะกดนั้นก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในร่างกายของคนคนนั้นเลยเพราะในขณะนั้นใครก็ตามที่เข้าสมาธิได้ลึกจนสามารถมองเห็นโอปปาติกะได้นั้นเมื่อเข้าสมาธิไปดูแล้วก็จะเห็นว่าผู้ที่มาเข้าสิงหรือมาเข้าทรงนั้นอาจจะยืนหรือนั่งอยู่ข้างๆหรือไม่ก็อาจจะยืนหรือนั่งอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลัง หรือที่ไหนก็ได้อันนี้ไม่แน่แต่ลักษณะที่เหมือนกันก็คือโอปปาติกะผู้นั้นจะใช้อํานาจจิตเพ่งไปยังผู้นั้นทําให้ความรู้สึกของผู้นั้นหมดไปและแล้วเขาก็จะบังคับให้คนคนนั้นพูดหรือทําอะไรออกมาก็ได้สุดแล้วแต่เขาจะสั่งและในบางรายผู้ที่สะกดอาจจะอยู่ห่างไกลกันมากก็ได้ตัวอย่างเช่นนี้มักมีอยู่เสมอ และนอกจากนี้ยังมีเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งกล่าวคือในขณะที่คนทรงหรือคนที่ถูกผีสิงแสดงอาการต่างๆออกมาเหมือนกับมีใครมาเข้าสิงอยู่นั้นในขณะนั้นผู้ที่เป็นตัวการไม่ได้อยู่ในที่นั้นและก็ไม่ได้ทำการสะกดจากในระยะไกลด้วยคือแปลว่าในขณะนั้นผู้ที่เป็นตัวการไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยแต่เป็นเพราะเขาได้สะกดจิตผู้นั้นเอาไว้แล้ว อำนาจสะกดของผู้นั้นยังฝังอยู่ในจิตใจของผู้ที่ถูกสะกดและในเมื่อมันยังไม่คลายตัวออกมันก็ย่อมจะมีผลเช่นเดียวกับในขณะที่ถูกสะกดเรื่องอย่างนี้สำหรับคนที่เคยรู้หรือเคยเห็นเกี่ยวกับเรื่องการสะกดจิตมามากและเคยเห็นมาหลายแบบก็จะมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้ดีเพราะหลักเกณฑ์เหมือนกันต่างกันก็แต่เพียงว่าการสะกดจิตในโลกมนุษย์ เป็นการกระทำระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แต่ในกรณีของคนที่ถูกผีสิงหรือมีใครมาเข้าทรงผู้ที่ถูกสะกดเป็นมนุษย์แต่ผู้ที่ทำการสะกดเป็นโอปปาติกะอันหนึง่งในโลกมนุษย์นี่เองคนที่เคยสะกดจิตคนอื่นเป็นผลสำเร็จมามากก็ไม่ได้หมายความว่าจะสะกดคนอื่นได้ทุกคน ในทํานองเดียวกับโอปปปาติกะที่แม้จะมีอำนาจจิตสูงสักเพียงใดก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถสะกดจิตใครตัวใครก็ได้วิชาการเกี่ยวกับเรื่องการสะกดจิตเป็นศาสตร์ใหญ่มีรายละเอียดมากผู้ที่ต้องการจะทราบเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งต้องศึกษาอีกมากเท่าที่อธิบายมานี้เป็นเพียงแต่ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าคนที่ถูกผีสิงหรือคนที่เป็นคนทรงเป็นไปได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ดีคนจะทราบความจริงอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องตัวเป็นสื่อเพราะคนที่จะถูกผีสิงหรือคนที่จะเป็นคนทรงได้นั้นต้องมีตัวเป็นสื่อถ้าไม่มีตัวเป็นสื่อแม้ฝ่ายผู้ที่ทําการสะกดจะมีอํานาจจิตสูงสักเพียงใดก็จะสะกดไม่ได้คนที่มีตัวเป็นสื่อหมายความว่า คนคนนั้นมีลักษณะนในทางจิตใจที่สามารถจะดึงดูดจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาหาตัวเองได้ทั้งนี้ก็เนื่องจากภายในจิตใจส่วนลึกมีลักษณะาบางอย่างเหมือนกันหรือมีความต้องการตรงกันสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ก, กันและกันได้โดยอีกนายะหนึ่งหมายถึงมีลักษณะนในทางจิตใจที่อีกฝ่ายหนึ่งจะจูงใจได้ง่ายสื่อดยธรรมชาติซึ่งมีด้วยกันทุกคน และเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าผู้หญิงย่อมมีอำนาจที่จะดึงดูดจิตใจของผู้ชายและพร้อมที่จะปฏิบัติตามความต้องการของผู้ชายส่วนฝ่ายผู้ชายก็มีลักษณะอย่างเดียวกันคือพร้อมที่จะดึงดูดจิตใจของผู้หญิงและปฏิบัติตามความต้องการของผู้หญิงจากตัวอย่างเช่นนี้จะทําให้เราเข้าใจง่ายว่า คนที่มีตัวเป็นสื่อนั้นหมายความว่าอย่างไรแต่อย่างไรก็ดีเราก็จะพบว่าไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ใช่จะมีอำนาจดึงดูดต่อเพศตรงกันข้ามทุกคนและอำนาจในการดึงดูดก็มีไม่เหมือนกันบางคนมีมากบางคนมีน้อยและนอกจากตัวอย่างระหว่างหญิงกับชายแล้วเราก็ยังพบตัวอย่างอื่นๆ อ, อีกหลายอย่างเช่นคนที่เป็นนักการพนันนักดื่ม หรือคนที่มีนิสัยตรงกันในทางใดทางหนึ่งก็มักจะดึงดูดเข้าหากันและพร้อมที่จะทำตามกันนี่คือตัวอย่างของคำว่ามีตัวเป็นสื่อการมีตัวเป็นสื่อในลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สำหรับในกรณีของการสะกดจิตนั้นมีความหมายมากกว่านี้คนที่จะสะกดจิตอีกฝ่ายหนึ่งได้จนกระทั่งคนคนนั้นหมดความรู้สึก หรือหมดอำนาจที่จะบังคับตัวเองได้และเป็นไปตามคำสั่งของอีกฝ่ายหนึ่งทุกประการเช่นจะสะกดให้หลับให้ตัวแข็งไม่ให้มีความรู้สึกเจ็บปวดหรือให้ทาอย่างใดอย่างหนึ่งคนนั้นเป็นต้องทําตามนั้นย่อมหมายถึงว่าผู้ที่ทาการสะกดมีอานาจจิตสูงเป็นพิเศษและมีศิลปะในอันที่จะจับจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งและจูงใจเขาได้ง่าย การทำสเสน่ห์หรือการประทุษร้ายกันด้วยอำนาจจิตซึ่งเป็นวิธีทางศิยศาสตร์ก็มีหลักเกณฑ์เหมือนกันเป็นแต่มีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างกันออกไปเช่นในเรื่องของการปลูกเศษพระการทำน้ำมนต์หรือการเศกเป่าลงที่ได้สายศินหรือที่ขี้พึง่งหรือที่รูปปั้นซึ่งทำด้วยขี้พึง่งหรือวัตถุอย่างอื่นนั่นหมายความว่าวัตถุที่ได้รับการปลูกเศกนั้นมีคุณสมบัติที่จะรับพลังจิต จากคนที่ทำการปลุกเสกเอาไว้ได้ซึ่งอำนาจจิตที่อยู่ในวัตถุเหล่านี้อาจจะอยู่ได้นานนับเป็นร้อยๆอยปีหรือมากกว่านั้นก็ได้ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุที่เป็นสือ่อและอำนาจ จ, จิตของผู้ที่ทำการปลุกเสกการสะกด จ, จิตในแบบที่สั่งเอาไวล้ลวงหน้ามีกฎเกณฑ์แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากเข้าใจหลักวิชาต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้ว เราก็จะเข้าใจได้ง่ายถึงคนที่ถูกผีสิงหรือคนที่เป็นคนทรงอันหนึง่งโดยปกติธรรมดาในชีวิตของคนทั่วไปมักจะมีโอปปาติกะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอยู่เสมอแต่เนื่องจากคนทัท่วไปนั้นจิตใจมักจะวุ่นวายอยู่กับปัญหาเฉพาะหน้าจิตใจไม่ว่างพอที่จะรับพลังจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่เช่นนั้น ก็เนื่องจากอำนาจต้านทานในทางจิตใจซึ่งมีอยู่ด้วยกันทุกคนอำนาจต้านทานที่ว่านี้จะคอยผลักดันทำให้อำนาจจิตของโอปปาติกะเข้ามาครอบงำไม่ได้ในเมื่อลักษณะนในทางจิตใจที่แสดงออกในขณะนั้นกับลักษณะแห่งจิตใจของโอปปาติกะที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่เหมือนกันแต่สำหรับในกรณีของคนที่จิตใจกำลังหมกมุ่นในทางใดทางหนึ่ง เช่นกำลังเมากำลังเล่นการพนันพวกโอปปะปติกะที่มีนิสัยแบบเดียวกันจะเข้ามาครอบงาได้ง่ายและในธํามนองเดียวกันคนที่กำลังเข้าสมาธิจิตใจกำลังสงบและเพ่งอยู่กับอารมอย่างใดอย่างหนึ่ง mm. ก็จะทำให้โอปปะปติกะที่มีคุณธรรมมีจิตใจสูงเข้ามาเกี่ยวข้องได้ง่ายและช่วยเพิ่มพลังจิตหรือจงใจในทางดีได้ง่าย หรือคนที่กําลังใช้ความคิดแน่วแน่และเป็นไปอย่างสงบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอุปปาติกะที่มีจิตใจแบบเดียวกันก็จะเข้ามาดลใจได้ง่ายเหตุการณ์ทานองนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่เป็นปกติในชีวิตของคนทั่วไปแต่เนื่องจากส่วนมากไม่ได้สนใจศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ฉะนั้นจึงไม่รู้กันและอีกอย่าง คนที่มีสมาธิดีถึงขั้นที่สามารถจะติดต่อกับโอปปาติกาได้โดยวิธีทางสมาธิคือสามารถเข้าสมาธิไปแล้วเห็นโอปปาติกะและพูดจากันได้คนที่ได้สมาธิถึงขั้นนี้จริงๆมีน้อยมากแต่ส่วนมากที่อ้างกันว่าสามารถติดต่อได้นั้นมักจะเป็นเรื่องของการเห็นมโนภาพที่เกิดในใจของตนเองมากกว่าคนเหล่านี้ในปัจจุบันมีมาก และพวกนี้เองที่ทําให้เรื่องในทํานองนี้กลายเป็นเรื่องลึกลับและยุ่งยากพิสูจน์กันไม่ได้เลยทําให้คนที่มีความสนใจอยากจะเชื่อในเรื่องเหล่านี้อยู่บ้างเชื่อไม่ลงเพราะฉะนั้นคนที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องเหล่านี้ต้องระมัดระวังให้มากทีเดียว หมายเหตุผู้อ่านให้สังเกตนะครับว่าพวกเข้าทรงหรือพวกที่ผีเข้าไม่ใช่ของจริงนั้นบางทีอ้างว่าเป็นเทพเจ้าจีนเป็นเทพเจ้าฮินดูแต่กลับไม่สามารถพูดหรืออ่านภาษาแขกภาษาจีนได้เลยหลายคนทั้งที่อ้างตนเป็นผู้ทรงที่เชี่ยวชาญแต่กลับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับภาษาเก่าของตนหรือความรู้ความสามารถเก่าของตนเลยบางครั้งก็ทาบุคลิกแปลกๆด้วยความเชื่อเก่าของตน ว่าเทพองค์นั้นองค์นี้ต้องมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้บางทีพอ น, นึกว่าเป็นพ่อปู่หรือศีเข้าทรงก็ต้องเดินหลังคอมซึ่งมีความจริงฤาษีจํานวนมากแม้จะอายุมากแต่ท่านก็แข็งแรงเดินหลังตรงมีความสง่าผ่าเผยและสุขภาพที่ดีบางคนบอกว่ามีพญานาคเข้าทรงแล้วก็พนมมือจูงขึ้นทําท่าเลื้อยให้สังเกตนะครับว่าส่วนใหญ่เป็นอุปาทานในใจของเขาเอง ที่เชื่อว่าพญานาคเป็นงูแล้วต้องเลื้อยแบบนั้นให้คิดถึงความเป็นจริงนะครับถ้าเป็นงูจริงก็จะเลื้อยแบบเอามือแนบลําตัวและเาหัวเสือกไปมากกว่าคงไม่จําเป็นต้องพนมมือและชูขึ้นเสมือนว่ามือ น, นั้นเป็นหัวของงูและในความเป็นจริงอีกเช่นกันพญานาคที่มีฤทธิ์นั้นเป็นโอปปาติกาชั้นสูงซึ่งเท่าที่พบหลักฐานเวลาท่านมาติดต่อกับพระกรรมฐานท่านก็จะมาในร่างของมนุษย์ซึ่งพระท่านก็เล่าไว้ว่า เคยพบเจอที่มหาและแปลงกายเป็นมนุษย์เมื่อทดลองคอยเขาแปลงกายเป็นอย่างอื่นก็สามารถแปลงกายไปได้หลายอย่างในเรื่องของการเข้าทรงที่แท้จริงและสามารถพูดภาษาต่างๆได้นั้นตัวอย่างในหนังสือของเอสเทลโรเบิร์ตก็มีการกล่าวถึงไว้เช่นกันนะครับว่าการเข้าทรงของท่านนั้นสามารถพูดภาษาฮอลันดาภาษาอินเดียนแดงภาษา Finland, Sweden, ฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนฝรั่งเศสและภาษาท้องถิ่นของชาวนิโกร อันนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าเป็นการเข้าทรงที่เป็นอุปปาติกะของจริงมาเข้าจริงความรู้ความสามารถและความจำเดิมของอุปปาติกานั้นสามารถรู้เห็นได้ดังเดิมเป็นความรู้ที่คนเข้าทรงไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องเกี่ยวกับภาษาเป็นการพิสูจน์ที่ชัดมากนะครับจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเอ็กเ e ลโลเบิร์ตนั้นสามารถเข้าทรงและพูดภาษาได้หลายภาษา แม้แต่ภาษาท้องถิ่นแม้แต่ภาษาโบราณที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่อยากให้ทําความเข้าใจในเบื้องต้นเพื่อไว้ตรวจสอบคนส่งและคนที่อ้างว่ามีโอปปาติกามาเข้าสิงทั้งชีวิตนะครับเท่าที่เห็นในภาพข่าวที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกลวงหรือการเข้าใจผิดแทบทั้งนั้นสําหรับในเรื่องนี้ประสบการณ์ตรงของผมก็เคยเจอมาเช่นกันเท่าที่พบมา มักจะมีจุดสังเกตว่าหากเราคิดอะไรในใจถ้าเป็นวิญญาณมาเข้าจริงนั้นแค่เราคิดในใจเขาก็จะรู้และสัมผัสได้เคยเจอกับคนที่วิญญาณของเจ้าที่มาเข้าในคอร์สฝึกสมาธิครั้งหนึ่งอีกคราวหนึ่งก็เจอผีสิงเด็กปั๊มซึ่งในตอนนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อเช่นกันแต่เมื่อเห็นการกระทำและการพูดของเขาก็เป็นที่น่าเชื่อได้นะครับว่าน่าจะเป็นผีสิงจริงๆเพราะขณะนั้นเขาบอกหมดเลยว่า ตายมาจากไหนแล้วเกาะรถมาอย่างไรในขณะที่พูดน้ําตา ก, ก็ไหลพรากๆไหลนองหน้าจนหน้าตกใจซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติที่แตกต่างชัดเจนกับชีวิตของเด็กปั๊มคนนั้นจริงๆเรื่องของพวกนี้นะครับถ้ามีความรู้พื้นฐานบ้างสักหน่อยก็จะแยกได้ไม่ยากว่าใครของจริงใครของปลอมบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไร้สาระไม่ควรสนใจแต่การรู้ไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ เพราอย่างน้อยในกรณีที่ผีเข้าสิงจริงเราจะได้แก้ไขได้ถูกไม่เช่นนั้นก็อาจกลายเป็นการทำร้ายคนที่หนักหนาสาหัสอย่างยิ่งด้วยการที่เขาต้องรู้สึกว่าเขาเป็นคนบ้าต้องไปเสียเวลารักษาโรคทางจิตอยู่หลายปีบางคนถึงขั้นโดนจับไปขางอยู่ในโรงพยาบาลบ้าก็มีมาแล้วนะครับแต่การศึกษาเรื่องพวกนี้ก็ต้องจับจุดประสงค์ให้เข้าใจว่าเราศึกษาเพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีจริง มีจริงอย่างไรและสุดท้ายก็ไม่ใช่ที่พึงอันประเสริฐอย่างไรการศึกษาแบบนี้เท่านั้นที่จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดรู้แล้วก็วางไม่ใช่รู้แล้วก็ยึดหลงงมงายไปกับเรื่องเหล่านี้นะครับอันหนึง่งข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าโดยปกติคนทั่วไปยอมจะมีโอปปปาติกะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอ แต่ส่วนมากไม่รู้สึกตัวและไม่แสดงปฏิกิริยาที่มีอาการเหมือนคนที่ถูกผีสิงทั้งนี้ก็เพราะทุกคนมีอำนาจต้านทานต่ออำนาจของโอปปาติกะซึ่งอำนาจต้านทานที่ว่านี้เกิดมาจากพื้นจิตใจบางอย่างเช่นเป็นคนที่มีลักษณะเข้มแข็งเชื่อมั่นในตัวเองคนอื่นจูงได้ยากคนประเภทนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ต่อหน้าใครหรือไปเกี่ยวข้องกับใครคนอื่นครอบงาได้ยาก เขาจะมีลักษณะเป็นตัวของเขาเองอยู่เสมอแต่ถึงกระนั้นในบางครั้งถ้าไปพบคนที่เข้าถึงจิตใจของตัวเขาก็สามารถที่จะจูงคนนั้นได้ง่ายนี่เป็นเหตุการณ์ที่เรารู้กันอยู่อันหนึง่งบุคคลที่มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองแต่ในบางครั้งคนอื่นก็จูงได้ง่ายนั้นเราจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าหากเขาไม่ได้พบเห็นคนที่สามารถจะจูงเขาได้ ซึ่งถึงแม้คนที่จะจูงเขาได้นี้จะอยู่ใกล้ๆเขาก็ตามแต่ในเมื่อนคนที่จะจูงเขาได้นั้นไม่ได้พูดหรือไม่ได้แสดงกิริยาอะไรออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งได้พบเห็นหรือได้ยินคือคนทั้งสองไม่เห็นกันไม่มีความสนใจต่อกันในกรณีอย่างนี้เขาก็จะไม่ตกอยู่ในอานาจของการชักจูงของอีกฝ่ายหนึ่งในทำนองเดียวกัน การที่โอปปาติกะส่วนมากไม่มีอิทธิพลต่อมนุษย์สาเหตุส่วนใหญ่ก็เพราะมนุษย์มองไม่เห็นเขาพูดกับเขาไม่ได้ตัวเองไม่มีความสนใจต่อโอปปาติกะและในแต่ละขณะก็มักมีเรื่องเฉพาะหน้าที่จะต้องสนใจอยู่เสมอจิตใจไม่ว่างพอที่อีกฝ่ายหนึ่งจะจูงได้ทั้งๆที่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะจูงก็ตามด้วยเหตุนี้จึงไม่ตกอยู่ในอำนาจของโอปปาติกะ และอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนบางคนมีความเต็มใจและตั้งใจที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งจูงคืออยากจะเป็นคนทรงหรือว่าอยากจะได้รับอิทธิพลอยากจะได้รับการโดนใจจึงทำใจไว้ให้พร้อมที่จะรับแต่แล้วเราก็รู้สึกว่ารับไม่ได้กล่าวคือในใจของตัวเองไม่รู้สึกว่ามีความรู้สึกความนึกคิดอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาซึ่งทาให้ตัวเองยากย่ได้ว่า อันนี้ไม่ใช่ความคิดที่เกิดจากตัวเองการที่คนส่วนมากรับไม่ได้ทั้งทั้งที่ทำใจไว้พร้อมที่จะรับทั้งนี้ก็เนื่องจากจิตใจของผู้นั้นไม่ว่างพอที่จะรับหรือแม้ว่าจะได้ตั้งใจแล้วที่จะรับความรู้สึกนึกคิดจากอีกฝ่ายหนึ่งแต่แล้วก็อดนึกคิดไปตามอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะเป็นคนทรง หรือต้องการที่จะรับการโดนใจจะต้องพยายามหัดสมาธิให้มากหัดทำใจให้ว่างตัวเองจะต้องไม่เนื้อคิดอะไรเลยจึงจะรับความรู้สึกเนื้อคิดจากอีกฝ่ายหนึ่งได้อันหนึง่งสำหรับในกรณีของคนที่เข้าสมาธิได้ดีแม้จะสามารถทำใจให้ว่างได้ความกดดันภายในจะต้องไม่มีด้วยหรือมีแต่น้อย จึงจะสามารถเป็นคนส่งได้ซึ่งจะสมบูรณ์ถึงร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสมาธิกล่าวคือถ้าคนไหนไม่มีความกดดันอยู่ภายในเข้าสมาธิได้ลึกมากทำใจให้ว่างจากอารมณ์ต่างๆได้จริงๆจนกระทั่งสามารถที่จะหลับในสมาธิได้เสมอไม่ว่าเวลาไหนและเมื่อหลับไปแล้วก็ไม่เห็นภาพอะไรไม่รู้สึกตัว ก็ไม่ใช่เหมือนคนหลับธรรมดาเพราะคนหลับธรรมดาถึงแม้จะไม่รู้สึกตัวแต่ใจก็ไม่ว่างซึ่งจะสังเกตได้จากความฝันเพราะฉะนั้นขอได้โปรดจําไว้ให้แม่นทีเดียวว่าคนที่จะเป็นคนทรงได้อย่างสมบูรณ์ก็คือคนที่สามารถหลับในสมาธิได้และไม่มีความกดดันอยู่ภายในหรือมีแต่น้อยอนหนึ่ง คนที่หลับในสมาธิได้นี้ยังมีประเด็นที่จะต้องศึกษาอีกหลายอย่างเช่นบางคนเมื่อเข้าสมาธิไปแล้วเมื่อตั้งใจจะให้หลับก็หลับจริงๆแต่เสร็จแล้วก็เป็นคนทรงไม่ได้พวกนี้ที่เป็นไม่ได้เพราใจไม่ว่างเนื่องจากในขณะที่หลับนี้ใจไปเกาะแน่นอยู่กับความรู้สึกบางอย่างโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับคนที่ถูกสะกดจิตคือคนที่ถูกสะกดจิตนั้น ก่อนที่เขาจะหลับหมดสติไปใจของเขาจะต้องไปยึดอยู่กับคําสั่งของผู้ที่ทําการสะกดแม้ในขณะที่หลับไปแล้วใจก็ยังอยู่กับคําสั่งอันนั้นโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุที่เขายึดอยู่ในคําสั่งอันนั้นใจของเขาจึงไม่ว่างเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจว่าถ้าคนไหนเข้าสมาธิได้ลึกจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวแล้วจะเป็นคนทรงได้ทุกคน อันหนคนที่หลับในสมาธิได้แต่หากจิตใจโดยนิสัยสันดานเป็นคนที่จุงไปทางไหนก็ง่ายไม่มีลักษณะเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองคนประเภทนี้แม้ในขณะที่หลับไปใจจะไม่ว่างแต่โอปปปาติกะก็สามารถที่จะเข้ามาชักจูงได้ง่ายซึ่งเราเรียกกันว่าถูกผีสิงคนที่ฝึกสมาธิในเมื่อเข้าสมาธิไปลึกๆแล้ว ส่วนมากที่ได้รับอันตรายจากโอปปาติกะก็เพราะเหตุนี้ส่วนที่มีความยึดมั่นในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเหนียวแน่นหรือจิตใจเข้มแข็งพวกนี้มักจะมีความปลอดภัยถ้าหากจะไม่ปลอดภัยก็เป็นเพราะตัวเองมีจุดอ่อนซึ่งเป็นจุดที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งจูงได้ง่ายโดยเฉพาะจากโอปปาติกะที่มีอานาจเข้มแข็งมีอานาจจิตเหนือคนอื่นได้ง่าย โอปปาติกะประเภทนี้เมื่อมาพบจุดอ่อนจากคนประเภทนี้เข้าก็อาจจะจูงใจได้ง่ายและจุดอ่อนที่ว่านี้มีสาเหตุมาหลายอย่างเช่นบางคนเคยมีเวีนต่อกันมาความหวาดกลัวต่อฝ่ายที่เป็นศัตรูที่ฝังอยู่ในสันดานนั้นย่อมจะต้องมีอยู่แต่คนคนนั้นไม่รู้ตัวส่วนโอปปาติกะที่เคยมีเวนต่อกันมาเขาจะรู้โดยไม่ยาก มันเหมือนกับเราเมื่อไปฆ่าใครเขาเราก็ย่อมจะกลัวว่าคนคนนั้นจะกลับมาฆ่าเราแม้เราจะตายไปแล้วกลับมาเกิดอีกหลายครั้งเหตุการ์ต่างๆลืมหมดแล้วก็ตามแต่ความหวาดกลัวต่อคนคนนั้นก็ยังคงฝังอยู่ในสันดานและด้วยเหตุนี้เองโอปปาติกะที่เคยมีเวรต่อกันมาเมื่อมาพบเข้าเขาก็จะรู้ทันที และโดยเฉพาะโอปปาติกะที่ยังไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์หลังจากชาติที่ได้ประทุษร้ายกันเขาจะจำเหตุการณ์ที่คนคนนี้เคยทำต่อเขาในสมัยที่เป็นมนุษย์ได้อย่างแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อมาพบเข้าความอาฆาตยังรุนแรงก็จะเกิดขึ้นและเพราะเหตุที่อีกฝ่ายหนึ่งมีจุดอ่อนคือความหวาดกลัวที่ฝังอยู่ในสันดาน ด้วยเหตุนี้เองทั้งๆ ท, ที่คนคนนั้นโดยลักษณะทั่วไปแล้วเป็นคนเข้มแข็งไรจุงได้ยากตัวไม่เป็นสือ่อวิญญาณที่ไหนๆมาเข้าสิงไม่ได้แต่กับคนที่เคยมีเวรต่อกันมาเขาก็จะตกอยู่ใต้อำนาจโดยไม่รู้ตัวจนอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะโดนใจให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเข้าสิงจริงๆและทาให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาอันจะเป็นการประทุษร้ายตัวเอง ต si de de de Yo, Yo, pregunta, ัวอย่างเช่นนี้มักจะมีอยู่เสมอหมายเหตุผู้อ่านขอเสริมเรื่องจริงที่เจอมากับตัวเองสักหน่อยนะครับในเรื่องของการโดนใจนั้นส่วนตัวแล้วที่ได้เคยเจอมามีทั้งโดนใจไปในทางดีและในทางร้ายเช่นครั้งหนึ่งขณะขับมอเตอร์ไซค์จะไปทำงานซึ่งทางที่จะไปทำงานนั้น ต้องตรงไปแต่เมื่อขับผ่านแยกนั้นก็ขับเลี้ยวขวาไปขณะที่เลี้ยวไปนั้นก็ยังสงสัยตัวเองว่าเลี้ยวไปทําไมแต่เมื่อเลี้ยวเลยไปได้นิดเดียวและเหลียวไปมองทางที่ต้องไปก็เห็นรถคันหนึ่งล้อหลุดกระเด็งสูงมากตอนนั้นยังคิดเลยว่าถ้าตรงไปก็คงไม่พ้นต้องเจ็บหนักแน่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างในด้านดีที่เจอมาซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องนะครับในด้านร้าย ก็เช่นอยู่ดีๆก็พูดอะไรออกมาโดยที่ตัวเองก็งงว่าพูดออกมาทำไมแล้วกลายเป็นว่าไปหาเรื่องคนอื่นเข้าบางทีนั่งอยู่ดีๆเจอคนรู้จักก็เผลอเ บ, บ้ปากใสโดยที่ไม่เคยมีความปกรจแค้นกันมาก่อนเลยซึ่งหลายครั้งนั้นก็สงสัยมานานว่าทำไมเราถึงพูดหรือทำอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนไม่ใช่ตัวเราอยากจะทำเลยซึ่งต่อมาก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะโอปปาติกะดนใจเป็นได้ทั้งโอปปปิกะไม่ดี ที่อาจมากลั่นแกล้งเล่นหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามคอยล้างแค้นซึ่งสิ่งที่คนทั่วไปน่าจะเจอได้บ่อยก็อาจจะเป็นในลักษณะโดนใจให้ทำอะไรผิดปกติเป็นการแก้แค้นทางอ้อมซึ่งท่านว่าเวลาที่ดวงตกก็คือช่วงที่ไม่มีบุญเป็นเกรกาะกาบังไว้นั้นหรือเวลาที่ขาดสติทั้งขาดสติแบบปกติหรือขาดสติเพราะการมืนเมา ก็เป็นช่วงเวลาที่โอปปาติกะเข้าสิงหรือดนใจให้ทำเรื่องไม่ดีได้ง่ายให้สังเกตนะครับว่าหลายครั้งในข่าวแค่การมองหน้ากันแค่การพูดบางประโยคที่ผิดหูกันก็นำหายนะมาสู่ชีวิตให้ต้องทะเลาะเบาแหวงเข้าใจผิดหรือฆ่ากันตายได้ทุกวันเช่นเดียวกันบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าบางครั้งเราโดนวิญญาณร้ายดนใจให้มองจิกหรือทาสีหน้าใสาอีกฝ่ายโดยที่เราก็ไม่รู้ตัว และก็นำมาซึ่งการถูกทำร้ายโดยที่คนถูกทำร้ายก็มักไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายทำเขาทำไมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพลังงานกรรมที่สะสมไว้ในจิตของเราเองที่ดึงดูดให้คนอยากทำร้ายและมารวมกับมีโอปปาติการมาโดนใจให้พูดบางอย่างหรือแสดงกิริยาบางอย่างที่กระตุ้นอารมณ์ของอีกฝ่ายก็อาจเกิดเรื่องร้ายตามมาอย่างที่มีอยู่ในข่าวทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ ในสมัยที่ยังเป็นนักดนตรีและยังกินเหล้าอยู่นั้นเห็นชัดเลยนะครับว่าในช่วงที่ยังไม่ได้ถือศีลช่วงที่ยังเป็นคนขี้เมาอยู่นั้นจะโหยหาในการเล่นการพนันอย่างมากและชีวิตก็พบหายนะเพราะการติดการพนันนั้นทั้งตู้ม้าไพ่โตสนุกแต่หลังจากเลิกเหล้าและเข้ามานับถือพุทธ ย, ย่างเต็มตัวเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความสนใจในการเล่นการพนันที่เคยติดอย่างงอมแงมนั้นหายไปหมดเกลี้ยงและก็เลิกตัดขาดเรื่องพวกนั้นไปเลย ในชีวิตของเราทุกคนนะครับถ้ามันสังเกตจิตบ่อยๆก็จะเห็นได้ชัดว่าจิตของเราแต่ละคนนั้นพร้อมจะถูกชักจูงไปในทางดีและทางร้ายได้เสมออยู่ที่ว่าพื้นฐานของจิตและความมีศีลมีธรรมของเรามีอยู่แค่ไหนก็จะถูกวิญญาณในระดับนั้นจูงใจไปทางนั้นได้ง่ายเสมออันหนึ่ง ยังมีบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะมีตัวเป็นสื่อได้ง่ายทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ใช่เป็นคนมีสมาธิดีไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนเลยบุคคลประเภทนี้ก็คือพวกที่มีความกดดันในทางอารมณ์สูงพวกคนทรงหรือพวกผีเข้าที่เราเห็นในที่ต่างๆส่วนมากคือบุคคลประเภทนี้และความเป็นจริงคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนทรงที่สมบูรณ์ เพราะกิริยาอาการที่แสดงออกมานั้นส่วนมากออกมาจากจิตใต้สํานึกและโอปปปาติกะที่มาเข้าทรงนั้นความจริงก็เกือบจะสะกดจิตคนประเภทนี้ไม่ได้เลยอาจแต่คนเหล่านี้มีเชื้อบางอย่างที่ตรงกันดึงดูดเข้าหากันได้ง่ายจึงทําให้บุคคลประเภทนี้มีปฏิกิริยาออกมาและบ่อยครั้งโอปปปาติกะที่ว่ามาเข้าทรงนั้น ความจริงเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาสะกดจิตเลยแต่ในเมื่อพวกนี้ผ่านเข้ามาในระยะที่อีกฝ่ายหนึ่งจะรับกระแสจิตจากโอปปปาติกะนั้นได้พวกที่มีความกดดันเหล่านี้ก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเองเช่นในสำนักที่มีการเข้าทรงเป็นอาชีพหรือในพิธีกรรมบางอย่างที่มีการเชิญวิ ญ, ญญาณต่างๆให้มาเข้าทรงเราก็จะพบว่า มีหลายคนที่อยู่ในพิธีนั้นพลอยถูกผีเข้าไปด้วยทั้งทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าส่งคนที่ไม่รู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้ก็พากันนับถือกราบไหว้ซึ่งกนนับว่าเป็นเรื่องที่งมงายอย่างหนึ่ง หมายเหตุผู้อ่านอาการของขึ้นอาการผีเข้าหลายกรณีที่พบเห็นนะครับเป็นวิญญาณของผู้ผีปีศาจหรือเป็นวิญญาณสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นวิญญาณชั้นต่าแต่คนที่ไม่เข้าใจก็มาจะงมงายกราบไหว้และคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งที่บางทีก็เป็นผีขี้เล่าเมายาที่หาความดีไม่ได้และไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ตมาคอยรับเครื่องเส้นไหว้หรือรอให้คนทาบุญให้ การะลงนับถืออะไรในแบบนี้ก็ให้โปรดระวังและดูกิริยามารยาทให้แน่ใจว่าเป็นเทพของจริงซึ่งจะมีกิริยามารยาทงดงามและยิ่งถ้าเป็นเทพชั้นสูงการชอบของกินของถวายการไร้รำหรือของหลายอย่างที่เรามักจะนำไปบูชานำไปแก้บนกันนั้นขอให้คิดตามจริงนะครับว่าเทวดานั้นท่านมีอาหารทิพท่านมีของทิพที่ประณีตมาก ดีกว่าของในโลกม น, นุษย์หลายล้านเท่าก็ฝากให้ลองคิดกันบ้างนะครับว่าท่านจะมาพอใจกับของชั้นต่ําที่เทียบอะไรกับของทิพย์ในสวรรค์ไม่ได้เลยแบบที่เราอยากถวายหรือนําไปแก้บนนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นเทพเจ้าเป็นเทวดาชั้นสูงจริงจะพอใจในการทําดีถวายท่านมากกว่ากันคล้ายกับคนรวยที่เราไปขอให้เขาช่วยอะไรแล้วเราก็นําอาหารพื้นบ้านไปเป็นของตอบแทนเขา จากชีวิตของเขาที่กินแต่อาหารหรูราคาแพงเขาจะอยากได้อาหารพื้นบ้านที่เรานำไปถวายหรือไม่โดยเฉพาะถ้าเขาเป็นคนดีมีศีลจริงลองคิดกลับกันนะครับว่าแค่คนธรรมดายังไม่ต้องตายเป็นเทวดาหากเขามีสมบัติล้นเหลือแล้วเขาจะพอใจในการที่เรานำของธรรมดาที่เขามีดีมากกว่านั้นไปให้หรือจะพอใจกับการที่เราเป็นคนดีตั้งใจเรียนตั้งใจทางาน ดูแลพ่อแม่และทำประโยชน์ให้สังคมลองคิดดูนะครับว่าเขาจะต้องการแบบไหนและอนุโมทนาคือดีใจไปกับการกระทำของเราแบบไหนเทวดาที่พอใจกับเครื่องเส้นไราสาระที่เทียบกับของทิพ์ในสวรรค์ไม่ได้หรือหนักกระทั่งชอบเครื่องเส้นพวกเล่าของดิบและของที่เป็นไปตามกิเลสทั้งโลกนั้นขอให้เข้าใจนะครับว่าไม่มีทางเป็นเทพชั้นสูงหรือเทวดาด้านดีได้เลย ส่วนมากก็เป็นวิญญาณชั้นต่าที่มาแอบอ้างชื่อเทวดาหรือเป็นแค่เพียงพูดผีปีศาจที่ยังมีชีวิตลำบากไม่ต่างกับคนที่ไปบูชานั้นเลยทุกคนมีกรรมเป็นของของตนส่วนใหญ่สิ่งที่ไปขอแล้วได้นั้นต้องเกิดจากกรรมคือบุญเก่าของตนเป็นหลักเท่านั้นให้ดูนะครับว่าไปขอร้อยคนได้จริงๆสักกี่คนสารใดก็ตามแม้จะไม่มีเทพสิงสถิต หรือไม่มีใครทำอะไรให้ได้เลยเมื่อคนร้อยคนไปบนบานและขอสิ่งที่หวังในร้อยคนนั้นก็ต้องมีสักคนที่ได้สมหวังตามบุญเก่าของตนและก็จะเข้าใจผิดว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้นถ้าจะกราบไหว้อะไรขอให้ไหว้ที่ความดีของเขาไหว้เป็นเทวตานุสติจะดีที่สุดนะครับต้องไม่ลืมหลักว่ากรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่ว ไม่มีฐานที่คนชั่วไม่เคยทำบุญเลยไม่เคยทำดีเลยแล้วอยู่ดีดีแค่กราบไหว้ก็จะได้อะไรดีๆกลับมาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นศา ส, สนาก็ไม่จำเป็นต้องมีไม่ต้องมีการทำดีไม่ต้องขยันไม่ต้องขวนขวายอะไรทั้งนั้นเอาแต่กราบไหว้อย่างเดียวตามประเพณีของคนไทยสมัยโบราณ หรือแม้ในปัจจุบันนี้ในที่บางแห่งตามชนบทก็ยังมีการเข้าส่งแบบนี้คือการทำพิธีเชิญวิญญาณต่างๆเช่นวิญญาณแม่สีแม่สากอะไรทำนองนี้ซึ่งในการเชิญนั้นมักจะมีการร้องเพลงมีการเคาะไม้หรือทำจังหวะอย่างใดอย่างหนึ่งและในที่สุดก็มีวิญญาณมาเข้าสิงคนที่ตั้งใจจะเป็นคนส่งในการเข้าส่งแบบนี้มีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่ง คือคนที่เป็นคนทรงนั้นมักจะหมดความรู้สึกไปจริงๆซึ่งผิดกับพวกที่มีความกดดันดังที่ได้กล่าวมาพวกนี้ความรู้สึกตัวยังคงมีอยู่เป็นเพียงแต่บังคับควบคุมตัวเองไม่ได้และการที่พวกแม่สีหมดความรู้สึกตัวนั้นเป็นด้วยอิทธิพลของการสะกดจิตจากคนที่อยู่รอบๆกล่าวคือเสียงเพลงและเสียงเคาะที่เป็นจังหวะ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยการสะกดจิตได้เป็นอย่างดีในเมื่อคนส่วนมากที่อยู่ในที่นั้นซึ่งรวมทั้งคนที่เป็นคนทรงมีความเชื่อในทางนี้เป็นทนอยู่แล้วแม้ในกรณีอย่างนี้การเข้าทรงที่ว่านี้บางทีก็ไม่มีใครมาเข้าทรงเลยปิริยาอาการต่างๆที่แสดงออกมานั้นออกมาจากจิตใต้สานึกของคนทรงทั้งสิง้น ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่จะเป็นคนทรงได้อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นคนที่สามารถหลับในสมาธิได้และจะต้องไม่มีความกดดันอยู่ภายในและจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ไม่คิดที่จะหลอกลวงใครนิสัยโอ้อวดก็จะต้องไม่มีด้วยคนที่จะมีลักษณะอย่างนี้หาได้ไม่ง่ายนักเพราะฉะนั้นคนทรงที่สมบูรณ์จึงหาได้ยาก ส่วนคนที่จะถูกผีเข้าหรือถูกผีสิงได้ก็จะต้องมีจุดอ่อนอย่างใดอย่างหนึ่งและจะต้องมีนิสัยบางอย่างที่เหมือนกับโอปปปาติกะซึ่งจะทําให้ดึงดูดเข้าหากันถ้าหากไม่มีจุดอ่อนที่เขาจะครอบงาได้เขาก็ไม่อาจจะเข้าสิงได้จะทําได้อย่างมากก็เพียงแค่โดนใจหรือจูงใจให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทาให้มกมุนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบ เช่นผู้ที่ชอบเล่นการพนันหรือผู้ที่เป็นนักเที่ยวนักดืม่มพวกนี้มักจะมีโอปปาติกะที่มีนิสัยอย่างเดียวกันคอยชักจูงอยู่เบื้องหลังเสมอแต่อย่างไรก็ดีในเวลาที่เกิดความเจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เกือบจะทุกคนเมื่ออยู่ในสภาวะอย่างนี้พวกโอปปาติกะจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้ง่ายเป็นไวแต่ว่าคนคนนั้น จะมีบุญบารมีเป็นเครื่องคุ้มกันกล่าวคือด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีซึ่งมีอยู่ในสันดานจะทำให้เกิดรัศมีที่มีพลังและจากรัศมีอันนี้เองพวกโอปปปาติกะร้ายๆไม่อาจที่จะเข้ามาใกล้ได้และในเวลาเดียวกันพวกโอปปปาติกะที่ดีทั้งหลายก็จะเข้ามาคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือซึ่งจะช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนอ ย, อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิบากของเขาเพราะเหตุนี้คนที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้จึงมักนิยมหาน้ำมนต์มาให้คนป่วยซึ่งไม่ใช่เป็นการรักษาโรคโดยตรงแต่ความมุ่งหมายเพื่อป้องกันมิให้โอ ป, ปาปติกะที่ร้ายๆเข้ามาเกี่ยวข้องการขับพวกปีศาจอย่างที่ท่านแมกแดงได้กระทำนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถึงแม้จะไม่ใช้น้ำมนตหรือใช้เครื่องรางอย่างอื่นก็ได้เพราะสิ่งสําคัญที่จะทําให้พวกนี้กลัวนั้นคือกระแสจิตที่มีอํานาจเหนือกว่าขอที่โปรดเข้าใจว่าอํานาจจิตของผู้ที่มีอํานาจจิตสูงนั้นเป็นสิ่งที่โอปปาติกะร้ายเกรงกลัวมากเพราะอํานาจจิตหรือพูดอีกในย่าหนึ่งคือกระแสจิตที่ส่งออกมานั้น เมื่อต้องการจะให้เกิดผลอย่างใดแก่โอปปาติกะที่ไร้รายมันก็จะมีผลตามความตั้งใจทุกอย่างเช่นจะให้เกิดความร้อนมันถูกไฟไหม้หรือจะให้เกิดความเจ็บปวดเหมือนถูกของมีคมหรือจะให้เกิดอาการเหมือนถูกมัดด้วยเชือกซึ่งทำให้คนนั้นดิ้นไม่หลุดก็สามารถจะทำได้ทุกอย่างและยิ่งกว่านั้นผู้ที่มีอานาจจิตสูงนั้นจะบันดาลให้เกิดภาพอะไร โอปปาติกะก็จะเห็นเป็นภาพอย่างนั้นความเป็นไปในลักษณะ น, นี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาใครๆก็ทำได้ถ้าหากมีอำนาจจิตสูงในโลกของโอปปาติกะนั้นอำนาจจิตสามารถที่จะบันดาลให้เกิดอะไรก็ได้เพราะโดยธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เกิดจากอำนาจของจิตอยู่แล้ว คนที่ไม่รู้ความจริงในเรื่องอำนาจจิตก็มักจะไปหลงงม ง, งายเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมหรือวัตถุที่เป็นเครื่องรางทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ความเคยชินเช่นอย่างคนไทยเราเคยเชื่อกันมาว่าน้ำมนเข้าสารเสกมีดหมอใบนาดพระเครื่องรางองค์ไหนหรือพิธีกรรมอย่างไรที่เคยถือกันมาว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถจะขับไล่พวกผู้ผีปีศาจได้เราก็จะทำกันอย่างนั้นทุกๆครั้ง อันที่จริงผู้ที่ทำครั้งแรกหรือครั้งต่อๆมาคงจะทำได้ผลในเมื่อผู้ที่ทำพิธีขับไล่เป็นคนมีอำนาจจิตสูงฉะนั้นคนทั้งหลายจึงได้เชื่อถือต่อๆกันมาแต่ต่อมาคนรุ่นหลังมีอานาจจิตไม่พอแม้เขาจะได้ใช้เครื่องรางอย่างเดียวกันหรือพิธีกรรมอย่างเดียวกันแต่แล้วก็ไม่ได้ผลเมื่อไม่ได้ผ ล, ลหลายครั้งเข้าคนทั้งหลายก็เสื่อมศรัทธา พิธีกรรมหรือเครื่องรางต่างๆก็หมดความศักดิ์สิทธิ์และในที่สุดก็ได้รับการดูหมินจากผู้ที่มีการศึกษาอย่างที่เป็นอยู่ในขณะ น, นี้อันที่จริงพิธีกรรมและวัตถุต่างๆที่ใช้ในการประกอบพิธีจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าหากผู้ที่ประกอบพิธีไม่มีอำนาจจิตสูงพอและโดยธรรมดาคนที่มีอำนาจจิตสูงจริงๆ ไม่จาเป็นต้องใช้พิธีอะไรเลยก็ได้เราไม่ว่าเขาจะใช้วัตถุอันใดหรือใช้คำพูดอย่างไรทุกอย่างก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นและโปรดอย่าลืมว่าคนที่จะมีอำนาจจิตสูงจริงๆนั้นในสมัยปัจจุบันหาได้ยากมากเพราะคนที่จะมีอำนาจจิตสูงจริงๆนั้นจะต้องสมบูรณ์ไปด้วยคุณลักษณะหลายอย่างเพียงแต่มีสมาธิอย่างเดียวไม่พอ เช่จนจะต้องเป็นคนมีนิสัยกล้าหารกล้าผจญกล้าเสี่ยงต่ออันตรายทุกอย่างเป็นคนที่มีความเด็ดขาดและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นคนมีสัจจะลักษณะอันสุดท้ายนี้ต้องเด่นมากและต้องมีมาตั้งแต่กําเนิดด้วยก็คนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้มาตั้งแต่เกิดนั้นก็จาเป็นอยู่เองที่จะต้องเป็นคนที่เคยฝึกฝนในทางนี้มามากแล้วตั้งแต่ในชาติก่อน แต่อย่างไรก็ดีพิธีกรรมและวัตถุต่างๆที่ใช้ในพิธีกรรมยังเป็นของจําเป็นอยู่เสมอสําหรับคนทั่วๆไปทางนี้ก็เพราะการที่จะใช้อํานาจจิตเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานั้นผู้กระทําถ้าไม่ได้ใช้พิธีกรรมหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นได้สายสินน้ําหรือเทียนเป็นต้นกําลังสมาธิก็มักจะไม่พอแต่ในเมื่อได้อาศัยสิ่งเหล่านี้แล้ว ทำให้ผู้ที่ประกอบพิธีมีพลังจิตเข้มแข็งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคนที่เข้ามาร่วมในพิธีในเมื่อเคยมีศรัทธาต่อพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็จะทำให้พลังจิต ท, ที่เกิดจากศรัทธาของคนเหล่านี้สร้างบรรยากาศในทางอำนาจจิตให้ดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งพวกโอปปปาติกะที่เคยเห็นพิธีกรรม และเคยเชื่อในสมัยที่ยังเป็นคนอยู่ซึ่งความเชื่ออันนี้ก็ยังคงมีอยู่ในสันดานเพราะฉะนั้นเมื่อมาได้เห็นพิธีที่จะเกิดปฏิกิริยาทําให้เกิดความกลัวซึ่งในบางกรณีเพียงแต่เห็นเขาเริ่มทําพิธีพวกนี้ก็เปิดหนีไปแล้วด้วยเหตุนี้การประกอบพิธีต่างๆจึงยังเป็นของจาเป็นแต่ก็อย่าลืมว่า การประกอบพิธีทุกอย่างจะมีผลจริงๆก็ต่อเมื่อผู้ประกอบพิธีต้องมีอำนาจจิตสูงพอซึ่งบางคนก็สูงมาตั้งแต่เดิมแล้วแต่บางคนก็เพิ่งจะมาสูงในตอนทำพิธีอันนี้คือสาระสำคัญในการใช้อำนาจ จ, จิตขับไล่พวกพูดผีปีศาจอันหนึ่ง ยังมีรายละเอียดอีกบางอย่างที่ควรจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้กล่าวคือในกรณีที่มีวิญญาณมาเข้าสิ่งนั้นถ้าหากเป็นวิญญาณที่ร้ายและพื้นเดิมก็เป็นคนมีอารมณ์รุนแรงและไม่ค่อยจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตพวกนี้เมื่อเข้าสิงใครแล้วตัวของตัวเองก็จะหมดความสำนึกตัวคือลืมนึกถึงตัวเองในสภาพที่เป็นโอปปาติกะแต่เขาจะยึดถือเอาร่าง ที่เขาเข้าสิงเป็นตัวของเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นกิริยาอาการที่คนแสดงออกมานั้นก็คือกิริยาอาการของโอปปปาติกะที่เข้าสิงในกรณีอย่างนี้ในเมื่อเราเข้าสมาธิไปดูเราจะพบว่ากิริยาอาการของโอปปปาติกะที่เห็นในสมาธินั้นเป็นอย่างไรกิริยาของคนที่ถูกสิงก็จะเป็นอย่างนั้น เช่นเมื่อโอปปาติกะทำหน้าตาอย่างไรยกมือยกเท้าอย่างไรหรือทำอาการอย่างไรมันจะมีผลทำให้คนที่ถูกสิงแสดงออกมาเกือบจะเหมือนกันทุกอย่างที่ข้าพเจ้าใช้คำว่าเกือบจะเหมือนกันทุกอย่างนี้ก็เพราะว่าโดยธรรมดาคนที่ถูกสิงแม้จะหมดความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่ความเคยชินหรือนิสัยสันดานบางอย่างที่เป็นของคนคนนั้นโดยเฉพาะก็จะต้องแสดงปะปนออกมาด้วยหรือพูดอีกในย่าหนึ่งคือโอปปปาติกะที่เข้าสิงนั้นจะไม่สามารถบังคับให้คนคนนั้นแสดงกิริยาอาการออกมาตามความรู้สึกของตัวเองได้ทุกอย่างและในกรณีอย่างนี้จะต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าสภาพแห่งจิตใจของคนที่ถูกสิง กับของโอปปาติกะจะต้องมีอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกันมากและดึงดูดเข้าหากันได้ง่ายจนกระทั่งทำให้เกิดอาการครอบงำได้อย่างสนิทและคนที่ถูกสิงนั้นก็จะต้องมีความอ่อนแอในทางจิตยอยู่มากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากคนไหนปรากฏว่ามีผีร้ายๆมาเข้าสิงได้ก็แสดงให้เห็นว่าพื้นจิตใจของคนที่ถูกสิงนั้น มีลักษณะคล้ายกับของโอปปาติกะที่มาเข้าสิงเหลืออีกนัยยะหนึ่งคนที่ถูกผีร้ายเข้าสิงก็คือคนที่มีวิบากมาไม่ดีอันหนึง่งโอปปาติกะประเภทดังที่กล่าวมานี้ซึ่งเมื่อเข้าสิงแล้วตัวเองก็ลืมตัวนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเหมือนกับคนที่กำลังโกรธจัด ซึ่งคนประเภทนี้เมื่อมีความรู้สึกอย่างไรก็จะแสดงออกไปตามอารมณ์บังคับตัวเองไม่ได้และไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างเขาจะลืมตัวไปชั่วขณะซึ่งการลืมตัวที่ว่านี้บางคนก็ลืมตัวมากแต่บางคนก็รู้สึกตัวบ้างไม่ถึงกับปล่อยอารมณ์ไปทั้งหมดพวกโอปปปาติกะที่เข้าสิงก็เหมือนกันแต่อย่างไรก็ดียังมีประเด็นที่ต่างกันอีก เปล่าคือสำหรับพวกที่มีเจตนาร้ายต่อคนที่ถูกสิงโดยตรงนั้นสำหรับในกรณีอย่างนี้โอปปปาติกะที่เข้าสิงจะรู้ตัวว่าคนที่ถูกสิงนั้นกับตัวเขาเป็นคนละคนเมื่อเขาต้องการจะให้คนคนนั้นเกิดอาการอะไรเขาก็จะบังคับให้คนคนนั้นเป็นอย่างที่เขาตั้งใจซึ่งในประเด็นนี้ เมื่อเข้าสมาธิไปดูแล้วก็จะเห็นว่ากิริยาของคนกับของโอปปาติกะที่แสดงออกไม่เหมือนกันส่วนโอปปาติกะที่มีอำนาจจิตสูงเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงและเข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองและของมนุษย์เป็นอย่างดีนั้นการเข้าทรงจะมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับการเข้าทรงธรรมดาเช่นโอปปาติกะที่มาเข้าทรงนั้น เมื่อก่อนตอนเองจะเป็นคนชาติไหนก็ตามแต่ก็สามารถที่จะบังคับให้คนทรงพูดออกมาในภาษาของคนทรงได้เสมอเช่นคนทรงเป็นคนไทยแต่โอปาปาติกะที่มาเข้าทรงเป็นฝรั่งไม่เคยรู้ภาษาไทยมาก่อนพูดภาษาไทยไม่เป็นแต่ในขณะที่เข้าทรงนั้นจะสามารถบังคับให้คนทรงพูดออกมาเป็นภาษาไทยแต่ก็มีความหมายอย่างที่ท่านต้องการได้เสมอ และในทํานองเดียวกันถ้าไปเข้าทรงคนจีนก็สามารถที่จะบังคับให้พูดภาษาจีนออกมาได้แปลว่าโอปปาติกะชั้นสูงนั้นสามารถบังคับให้พูดออกมาได้ทุกภาษาทั้งนี้สุดแล้วแต่คนทรงจะเป็นคนชาติไหนเพราะโดยธรรมดาไม่ว่าคนเราจะพูดภาษาอะไรแต่ความหมายในทางจิตใจย่อมเหมือนกันเสมอตัวอย่างเช่นนี้ ข้าพเจ้าเคยพบมาแล้วหลายครั้งหมายเหตุผู้อ่านแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในที่นี้คือเมื่อเข้าทรงและพูดเป็นภาษาท้องถิ่นนั้นได้แต่เทวดานั้นหากท่านเคยเป็นคนจีนก็ต้องพูดภาษาจีนได้เคยเป็นคนแขกก็ต้องพูดภาษาแขกได้ ถ้าอ้างตนว่าเป็นเทพจากชาติไหนและไม่สามารถพูดภาษาเดิมหรือเอาให้แน่คือเขียนหนังสือภาษาเดิมได้ก็ให้มั่นใจได้เลยว่าน่าจะเป็นการหลอกลวงหรือเข้าใจผิดของคนทรงที่สะกดจิตตัวเองซะมากกว่าให้ลองคิดตามหลักความจริงนะครับว่าถ้าเทพจำภาษาตัวเองไม่ได้จำประวัติตัวเองไม่ได้เลยถ้าลืมได้ขนาดนี้เราจะเรียกว่าเทพปัญญาอ่อนได้หรือไม่ซึ่งตัวอย่างอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับว่าแม้ในเรื่องของเอสเทลโรเบิร์ตเอง ในการเข้าท่งของท่านนั้นท่านสามารถเข้าทรงพูดได้หลายภาษาตามแต่ว่าวิญญาณที่เข้าทรงในครั้งนั้นเป็นคนจากชาติไหนซึ่งในเรื่องนี้หลายท่านอาจจะคิดว่าคนทรงอาจจะพูดได้หลายภาษาอยู่แล้วก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็พิสูจน์ได้ด้วยหลักของภาษาที่หลากหลายเป็นภาษาโบราณภาษาท้องถิ่นที่หาคนรู้และเข้าใจได้ยากแต่คนทรงที่ทรงได้อย่างแท้จริง ก็จะพูดภาษาหลอนั้นออกมาได้ยังไม่ผิดเพี้ยนและสามารถแปลความได้และในเรื่องนี้คุณสีเพนจตุทัศ ส, สีที่เป็นบุคคลสําคัญในการเข้าทรงติดต่อกับวิญญาณของเทพเจ้าต่างๆนั้นท่านก็มีความสามารถแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับคือสามารถเข้าทรงและพูดเป็นภาษาโบราณที่หาคนรู้จักได้ยากและได้มีการตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญทางภาษานั้นๆจนยอมรับว่าเป็นภาษาโบราณและแปลความหมายได้จริง อีกทั้งยังมีความรู้หลายอย่างที่เป็นความรู้เฉพาะตัวโดยที่ไม่มีทางที่คุณสีเพนจะรู้ได้เลยหลายครั้งเป็นความรู้ในเชิงลึกเช่นครั้งหนึ่งก็อธิบายภาษาบาลีในเชิงลึกซึ่งไขข้อสงสัยของอาจารย์พรได้มากและทุกท่านก็รู้กันดีว่าไม่มีทางเลยที่คุณสีเพนซึ่งเป็นสิทธิ์ของอาจารย์พรจะรู้เรื่องเหล่านั้นมาก่อนและตอบคาถามให้กับอาจารย์พรจนหายสงสัยได้ซึ่งทั้งหมดนั้น ทำให้อาจารย์พรท่านมั่นใจว่าคุณศรีเพนสามารถติดต่อกับโอปปปาติกะได้จริงและการเข้าส่งนั้นเป็นวิญญาณของเทวดาเทพเจ้าต่างๆมาเข้าทรงอย่างแท้จริงไม่ใช่การคิดไปเองหรือเกิดจากจิตใต้สำนึกอย่างที่หลายคนเข้าใจ